พระธรรมเทศนาแผ่นที่47ลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่26กรกฎาคม2555มีชื่อเรื่องว่าสาธิตการเดินจงกรมอบรมคณะผู้บริหารการศึกษา ตามแนวแถวกูบาาจานที่พาดำเนินเดินยงกรมแต่หลวงปู่มั่นท่านให้เอามือวางไว้ในระหว่างท่านบอกว่าอันนี้คือท่าลาพึงเหมือนกับพระพระพร ะ, พระลาพึงเอามือถ้าหากว่าเอามือไกวแขนเดินจงกรมท่านว่าอาการไม่สงบไม่สํารวม ถ้าเอามือกอดอกอย่างนี้ถน่ า, ามันเหมือนลักษณะคนเจ้าทุกข์ถ้าเอามือไขว้หลังเดินจงกรมเหมือนกระทันนักเลงถ้าจะให้เป็นท่าสำรวมต้องเอามือในระหว่างนี้อันนี้คือวิธีการเดินจงกรมเพราะฉะนั้นพวกเราถ้าจะเดินจงกรมตามแนวแถวที่สายหลวงปู่มั่นพาดำเนินให้พวกเราทำอย่างที่หลวงพ่อบอกเราจะเดินที่ไหน ใครเห็นก็รู้ว่านี่คือเดินจงกรมเวลากรที่จะเดินจงกรมเราไปหยุ ด, จ, ด, จ, ด, จ, ดจุดใดจุดหนึ่งอย่างที่พระวิทยากรบอกอันนี้หลวงพ่อย้ำอีกทีหนึง่งเราไปยืนพอยืนแล้วก็หันหน้าไปทางทางเดินจงกรมที่เราจะเดินอย่างนั้นเราก็ปนมือขึ้นแล้ววางอกไหวครูสะกอน พุโทโธธัมโมสังโฆพุโทโธธัมโมสังโฆพุโทโธธัมโมสังโฆไหวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเสร็จแล้วก็เอามือลงเอามือลงเราจะแผ่เมตตาซะก่อนตนจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุ ข, นนสขตนเป็นสุขผู้อื่นเป็นสุขจักชั่วระยะหนึ่งจากนั้นก็นขาขวาพุทขาซ้ายโทพุโทโธพุท โอ้พุทโธถ้าหาว่าเราจะถามว่าเดินโยกรมนี่นานเท่าไหร่ก็สุดแท้แต่ผู้ที่จะเดินจะเดินนานเท่าไหร่ก็ได้หลายชั่วโมงแต่ไม่จริงให้เดินนานที่สุดเท่าที่จะนานได้แต่ว่าการเดินจยกรมบางบางคนก็ไปถูกกับจริตมันเหนื่อยแต่บางคนเวลานั่งภาวนา พอนั่งเข้าไปเลยมันง่วงพอนั่งเข้าไปมันสงบเออมันสับพงกมันง่วงเหงาเฮานอนก็มีทางเดียวคือเดินเพราะนั้นอริยบทสี่ยืนเดินนั่งนอนได้ทั้งนั้ น, 4, น, น, น, น, น, น, นแต่ผลคืออะไรผลคือทางด้านจิตใจถ้าว่าถึงจะนั่งก็เถอะถึงจะนอนก็เถอะถ้านอนนอนไม่หลับแต่ก็ดูใจของเรามันสงบ มันไม่ปรุงฟุ้งไปทางอื่นเรานอนดูดูอยู่อันนี้ก็ได้ถ้าจะนั่งก็นั่งสมาธิดูจิตใจของตนเองอันนี้ก็ได้ถึงจะเดินดูอริยบทเก้าเดินขาขวาพุทธขาซ้ายโถไปเลยก็ได้หรือจะยืนแต่ยืนรู้สึกว่าจะโงนเงนนะแต่ก็ได้อริยบทสี่ยืนเดินนั่งนอนได้ แต่การภาวนาแต่บางคนก็ถูกจริตกับการนั่งบางทีก็ถูกจริตกับการเดินแต่การนอนเนี่ยโดยมากมันจะหลับเป็นส่วนมากพอนอนเข้าไปไม่นานแล้วก็หลับหละเพราะนั้นใครไทก็ถูกกับจริญกับการนอนหมืออแต่ว่าจิตใจเรื่องผลของการภาวนาไม่ต้องพูดถึงเอยแต่ว่าอยากจะนอนภาวนาที่มากกว่า แต่ว่าผลนั้นโดยมากมันก็หลับไม่ได้รับผลเพราะนั้นให้พวกเราสังเกตการภาวนาแต่บางคนก็นั่งขนาดไหนอย่างพระสูนะในครั้งพุทธกาลที่เป็นที่เป็นลูกเศรษฐี่ลูกเศรษฐีบวชไปฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเออ แต่ที่แรกก็คือลูกเศรษฐีคนนี้มีขนมีขนขึ้นในฝ่าเท้ามีขนขึ้นในฝ่าเท้าทั้งสองข้างทีนี้เขาก็เอาไปให้พระเจ้าพิมพิสารดูเพราะว่าคนไม่เคยเห็นแต่ผิวพัธุ์ก็สดใสโพดงาม เ, เป็นหนุ่ม แต่ว่ามีฝาดมีผลขึ้นเกิดในฝ่าเท้าอันนี้ก็ไปพาไปกราบพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารไม่แปลกว่ะแต่นคนอันนี้เป็นคนมีบุญแล้ว่าคนมีบาปเรื่ออะไรทไําไมฝาดผลจึงเกิดขึ้นในฝ่าเท้าก็เลยพาไปกราบพระพุทธเจา้าพอไปฟังพระธระรมเทศนาของพระพุทธเจา้าแล้วก็เกิดศรัทธาขึ้นใหม่อีกอยากจะบวชแต่ทั้งที่เป็นลูกเศรษฐี เอาบวชก็บวชก็เลยได้บวชก็บวชเสร็จแล้วท่านก็วัดเร่งความเพียรปฏิบัตินั่งภาวนาเดินจงกรมเอาจริงเอาจังจริงเพราะศรัทธาในพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็เดินเดินเดินเดินเดินไปจนฝ่าเท้าแตกขนที่เกิดในฝ่าเท้าคงจิตคงจะหลุดหล่นหมด เ อ, อดเดินมากฝ่าเท้าแตกออกจากกระเป๋าฝ่าเท้าแตกแล้วคานอีกเลยเออทั้งคานทั้งหัวเข่าก็แตกอีกมือก็แตกเลเอาเมาส์อกถึงเอาอกไถไปเลยเออจนอกแตกอีกร้องให้เ อ, อ๊ะทำไมเราไม่มีอุปนิสัยมรรค น, นิพพานเลยเนี่ยทําไมเราเร่งความเพียรถึงขนาดนี้ก็ยังไม่สําเร็จหมัก สำเร็จมรรคสำเร็จผลนี่แต่ว่าเราได้ฟังทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านภาวนาให้ปฏิบัติอย่างเอาจริงจังแต่เราเอาจริงจังอย่างสุดๆพระสงฆ์ได้นําพระโสนะเอาไปกราบพระพุทธเจ้าพพุทธเจ้าเออเกินไปพระพุทธองค์สอนให้ดูที่จิตใจและว่าการภาวนาได้ก็คือการทําอริยบทให้ดูดูให้เป็นพอสมควร ไม่ถึง ข, งขนาดนั้นแต่พระองค์ก็แนะนําวิธีการจากนั้นท่านก็ภาวนาไม่นานท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์อันนี้ก็คือการเดินโยมกรมในครั้งพุทธกาลถ้าเราเปรียบเทียบดูแล้วก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันไม่ใช่ย่อยเหมือนกันจนฝ่าเท้าแตกนะเพราะนั้นการเดินโยกรมเราจะเดินมากน้อยแค่ไหนกันสุดแท้แต่แต่ตามปกติตินี้บางองค์ก็เดินนานนะแต่ใหม่ๆก็ใส่รองเท้า แต่อย่างหลวงพ่อถ้าเดินเอาจริงเอาจังหนึ่งพ่อจะถอดรองเท้าเดินเพราะมันหนักมันลำคานเสียงดังกชกชแฉกแฉอีกทัางหาก okay. แต่ว่าเดินด้วยฝ่าเท้าหลวงพ่อก็เคยเดินเดินตลอดทั้งคืนหลวงพ่อเคยเดินนะแต่ฝ่าเท้าบางจริงๆจะทะลุจริงๆเห็นแล้วเออที่พระพุทธเจ้าที่ในหลักพระไตรปิฎกท่านว่าพระสูน่ขฝ่าเท้าแตกโอเป็นไปได้พราะเราเดินแล้วมัน ฝ่าเท้าในบางจนมองเห็นเลือดไต่ ใ, ใครครับว่าไม่ใช่เลือดแตกนะแครค่ัมันบางจนเห็นสีแดงแต่อยุดในนิ้วเท้าในที่มันสัมผัสกับพื้นดินอแต่พอสว่างชั้นกลางหันแล้วก็พักผ่อนพอตอนบ่ายขึ้นมาไอ้ที่มันที่ฝ่าเท้ามันจะทะลุนะกลับหนาอย่างเก่าเออ ฝ่าเท้าเนี่ยมันมันพรพอเหตุนี้เองมันจมผัดกับพื้นดินมันไม่ไม่ทะลุใครเดินไปเท่าไหร่ไอ้ข้าสรุปแล้วก็คือมันงอกเร็วฝ่าเท้าเนี่งอกเร็วทั้งที่มือเช้าไนีดูดูแล้วมันจะทะลุพอตกตอนบ่ายมาแล้วฝ่าเท้าหนาอย่างเก่าฮะนี่แหละฝ่าเท้าเนี่ยคือแเป็นหนังทนทายาาตินกูดง่ายๆที่ทมันจะทะลุ พอน้อยเดียวพอหยุดหน่อยเดียวมันก็งอกขึ้นมาอีกปกติอีกค่ะอันนี้เกิคื อ, คอวิธีเดืองจงกรมแต่นั่งภาวนานะนั่งขนาดไหนแต่หลวงตามหาบัวท่านบอดแต่หลวงพ่อไม่เคยหลวงพ่อเนี่ย น, นั่งได้จังหวะหกเจ็ชั่วโมงนั่งหกเจ็ดชั่วโมงหูถอยแต่ตามไม่จริงแต่ครูบาอาจารย์บางองค์ในท่านนั่งตลอดทั้งคืน ก็มีนะดวงตามมหาบัวเนี่ยนั่งตลอดทั้งคืนเท่าแต่เวลานั่งทีแรก่ารเอาเถอะมันทําไมมันใจมันยังไม่สู้เอาสู้หรดูสิตายเป็นตายเออจะไปปัสสวะอุจจะละปัสวะจะไม่ลุกเด็ดขาดนั่งอยู่นี่แหละถ้าหากว่ามันจะทะลัก็ให้มันทะลักคาที่นอนเออสมัยเราเป็นเด็กเราขี่เรวเจี่ยวพ่อแม่เราเอาไปแม่เราไปซักก็ยังเอาไปซักได้ แต่บัตรนี้เราใหญ่ขนาดนี้แล้วเราซักเองเนี่ยให้มันทะลักเลยเราจะไม่ลุกถ้าหากว่าถ้าปวดเยี่ยวถ้าปวดอุจจาระปว ด, ปวดทายเราจะลุกเดี๋ยวมันจะกิเลสมันจะหาทางออกถมานะเดี๋ยวก็จะว่าปวดทายเดี๋ยวก็จะว่าปวดเบาอมันจะหาทางออกอยู่ตลอดเพราะกิเลสแต่นี้เราก็พยายามดูจะไม่ดืดตามจะไม่อะไรมาก ก่อนที่เราจะนั่งภาวนาในคืนนั้นจากนั้นก็ น, นั่งภาวนาพอนั่งท่านว่าทีแรกใหม่ๆมันก็สู้กับเวทนานะแต่มันความเจ็บปวดความเจ็บปวดความทุกเขเวทนานโอ้โหมันสู้กันจนเหงื่อแตกนะแต่ผพที่สุดใจของเราก็เอาบังคับไม่ยอมออกกําหนดลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวผลที่สุด จ, จิตใจรวมสงบ พอจิตใจรวมสงบแล้วใจกับกายมันคนละอ่านกันมันเน่งมันสงบมันเข้าไปอีกมิติหนึ่งมีแต่สติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันไม่มันไม่สัมผัสทางกายไม่รู้ว่ากายตัวเองนั่งอยู่ตรงไหนพอจิตสงบอับปนาสมาธิแล้วจิตกับกายเนี่คนละอย่างกันมีแต่รู้ว่าจิตกับสติสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่ได้ออกมารับรู้ทางร่างกายอันนี้คือจิตสงบที่เป็นอัปปนาสมาธิแต่เมื่อนั่งเข้าจิตเข้าถึงสงบจุดนั้นแล้วร่างกายไม่รู้แต่พอนั่งไปบางครั้งมันก็หลุดออกมาหลุดออกมาสัมผัสร่างกายแต่มันก็เจ็บปวดแต่กระเพาะกำหนดเข้าไปมันก็เลยเข้าไปไปสู่อัปปนาสมาธิอีกมันก็หายเงียบ ไ, ไปอีกไม่รับรู้ทางกายอีก อันนี้ท่านว่าถ้าว่าเป็นวันไหนเป็นวันอากาศร้อนวันไหนอากาศร้อนภาวนาจะไม่ค่อยดีวันว น, วนร้อนแต่วันไหนฝนตกพรมๆแล้อากาศเย็นๆวันนั้นจะนั่งไ ด, ได้ได้ได้ได้เร็วและสงบได้ง่ายกว่าอันนี้คืออุตุสปายะก็มีส่วนมีส่วนเหมือนกันที่จะทำสมาธิให้อิจใจให้สงบได้ง่ายอุตุสปายะคือคืออากาศเป็นที่สบายไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไป อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนการที่จะทำให้จิตใจสงบได้จากนั้นเมื่อจิตใจสงบแล้วพอถึงสว่างวันแรกเราก็ไม่รู้พอสว่างเสร็จแล้วเราก็พอได้เวลาเราก็ลุกเลยพอลุกตอะไรถึงงายหลังทนในตันวานนะเออโค่นเลย่งั้นแ่ไวอเลยเพราะว่าขาขาเราเนี่ยมันนั่งขัดสมาธิมันไม่ไไปตามบัญชาดิ มันขาตายอมันหมดความรู้สึกอแต่ในใจรู้สึกอยู่แต่ว่าขาเนี่ยมันมันเป็นเน็บไปหมดแล้วอ่ลุกขึ้นมาเนี่ยหงายหลังเลยพอในส่วนก็จะตั้งท่าใหม่พอจากนั้นก็ได้จับขาตัวเองยืดออกไปจากนั้นก็ค่อยเหยียดขาเพื่อให้เลือดลมมันวิ่งเนี่ยพอเลือดลมมันวิ่งแล้วก็ขยับนิ้วเท้าขยับอะไรมั่นใจได้ค่อยลุก ต่อไปต่อนั่งอีกนั่งภาวนาอีกเวลาจะลุกกระยัง่งอย่างที่ว่านี่ยต้องขยับขาซะก่อนขยับขาแล้วก็นวดงวดนว ด, นวดขาดูขยับนิ้วเท้าดูจากนั้นครับไม่มีอะไรอย่ค่อยลุกเดินอัในในี้แหละพิธีการนั่งภาวนาเนี่แหละครูบาอาจารย์ท่านนั่งถึงขนาดนั้นแหละแต่ว่าถึงยังไงพวกครูบาอาจารย์ที่มานั่งภาวนาครัคร้งนี้คราวนี้ ก็ไม่ใช่ว่าจะเอาจริงเอาจังถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็ให้รู้จักแนวทางเอาไว้ว่าครูบาอาจารย์พระกรรมฐานที่อยู่ในปา่าท่านภาวนาเนี่ยท่านทําอย่างไรวิธีเดินจงกรมทํำยังไงเวลานั่งภาวนาทํำยังไงวิธีบริกรรมกรรมฐานทํำยังไงตามแนวแถวสายหลวงปู่มั่นอันนี้เราเข้ามาศึกษากกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นสายหลวงปู่มั่นทุกวันนี่ก็ เป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนทุกมูเราพเพราะเรื่องภาวนาเนี่ยก็มอบให้นี่แหละครูบายจานเพราะเหตุใดจึงเรามอบให้เพราะลูกศิษย์ลูกหาตั้งแต่องค์หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสารที่เป็นต้นตระกูลของพวกเราเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็กระดูกก็ได้กลายเป็นพระาธาตุให้เราได้รู้ได้เห็นเป็นสักขีพยานคือสรุปแล้วก็คือกระดูกของพระอรหันต์นี่แหละเราเป็นที่ยอมรับกันทั่วนหน้า เพราะนั้นที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านให้ภาวนาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอันนี้ก็คือสมถกรร ม, มาฐานส่วนวิปัสสนากรร ม, มาฐานก็ให้แยกแยะว่าร่างกายสังขารร่างกายของเราไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องทิ้งร่างกายถึงจะทิ้งหรือไม่ทิ้งมันก็ต้องทิ้งโดยดีไม่มีใครที่จะอยู่ นานเท่านา น, านได้ต้องถึงจุดจบของชีวิตก่อนที่จะถึงจุดจบนั้นนี่แหละให้เราพิจารณาว่าร่างกายสังขารนี่มันจะต้องแยกออกจากใจใจจะต้องออกจากกายไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวนะใจอย่าไปหลงร่างกายจนเกินไปนะปัร่างกายเป็นปัจจใจอาศัยชั่วครา้งชั่วคราวอาศัยอยู่ห้า1กส0บเจ็ปดสิปีเก้าบปีถึง เก้าสิบปีแล้วผมหมดสภาพแล้วมีแต่พยุงคนอื่นอาศัยคนอื่นไปเรื่อยๆละ่ะเพราะอะไเพราะร่างกายของเรามันหมดสภาพนี่แหละร่างกายหมดสภาพจากนั้นแต่ส่วนจิตใจนั้นจะต้องออกจากร่างไปปฏิสนธิไปหาเกิดในภพภูมิต่างใหม่ถ้าเรามาพูดเกี่ยวกับปฏิสนธิในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านพูดไว้ไหม ปฏิสนธิกําเนิดปฏิสนธิกําเนิดเราเกิดมาเพราะพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้เหมือนกันนะท่านบอกว่า mm hmm. การที่เกิดของสรรพสัตว์หรือว่าเกิดการเกิดของมนุษย์การเกิดของมนุษย์คือพ่อแม่ที่เป็นต้นตระกูลพ่อที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเราเมื่ออยู่ด้วยกัน มีการ อ, อยู่ด้วยกันแล้วก็มีลูกคาว่าปฏิสนธิคำนี้ท่านบอกว่าที่แรกอยู่ในท้องของแม่เน่ยเหมือนกับน้ำมันงาหยดหนึ่งนี่แหละคือก่อกำเนิดที่สัตว์หรือว่าเป็นปฏิสนธิหรือว่าตั้งคัน ตั้งคันเป็นครั้งแรกเคือเหมือนกับน้ำมันงาหยดหนึ่งแต่พอเจดวันน้ำมันงาหยดนั้นจะเป็นสีเหมือนกับสีล่างเนื้อท่านพูดในผะไใจปิดกนะพอเป็นสีล่างเนื้อพอต่อมาเจดวันก็จะเป็นเหมือนลักษณะก้อนเนื้อเป็นเป็นสีแดงเป็นสีแดงสีสีแดงเป็น สีก้อนเนื้อแตเพออีกมาอีกเจ็ดวันก็ลักษณะเป็นตุ่มออกมาลักษณะตุ่มเป็นปัญจักาขาคือขาสองแขนสองสีสะหนึ่งในก้อนก้อนก้อนเลือดก้อนนั้นต่อมาก้อนเลือดก้อนนั้นก็ใหญ่ขึ้ น, นใหญ่โตขึ้นจนถึงสองเดือนสามเดือนทีนี้วิญญาณ วิญญาณคือใจเนี่ยเข้าไปยึดคลองวิญญาณอยู่ร่องรอยอยู่เนี่ยเข้าไปเข้าไปยึดคลองพอเป็นตุ่มขึ้นมาแล้วเข้าไปยึดแใครใครจะไปเกิดในบุญวาสนาบา ร, รมีของใครจะไปเกิดในสถานที่ใดจุดไหนกับใครนวิญญาณนั่นก็เข้าไปเกาะเนี่ยพอเข้าไปเกาะอยู่แล้วอาศัยบงังใหม่ๆก็เข้าเข้าออกเหมื อ, อ, ก อ, อกนกันเข้าไปยึด ยึดร่างกายเข้าเข้าออกออๆพอต่อมาพอร่างกายใหญ่ขึ้นมาเข้าไปยึดเลยเข้าไปอยู่เลยสองเดือนสามเดือนเริ่มเริ่มเคลื่อนไหวได้แล้วเพราะปีญญาณเข้าไปเข้าไปอยู่ในร่างในร่างร่างเด็กอยู่ในท้องแล้วต่อมาก็อายุใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆจนห้าหกเดือนแปดเก้าเดือนเก้าเดือนสิบเดือน แต่ในพระบาลีในพระไตรปิฎกท่านบอกไว้ว่าถ้าแม่ใหม่เก้าเดือนจะคลอดแต่แม่เก่ามีอายุขึ้นมาแล้วสิบเดือนอันนี้ท่านพูดท่านพูดในพระไตรปิฎกนะแม่ใหม่ 9, เก้าแม่เก่าสิบสิบเดือนก็คลอดบินบุตรธิดาออกมานี่แหละสนุปแล้วก็คือปฏิสนธิของของของคนเราเนในหลักพระไตรปิฎกทุก คำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนะี่ยท่านพอเข้าไปยึดยึดที่แรกก่อนที่จะเกิดเป็นคนมาได้นะเนี่ยก่อนที่จะตั้งปฏิสนธิในการเกิดเหมือนเป็นน้ําหยดเหมือนกับน้าําใสเหมือนกับน้ํามันงาหยดหนึ่งต่อไปเป็นสีล้างเนื้อสีแดงต่อไปเป็นข้อเนื้ อ, อต่อไปเป็นตุ่ม กัญจะสาขาคือขาสองแขนสองีษะนหนึ่งคือห้าแยกเป็นห้าต่อไปก็ใหญ่ยาวขึ้นไปเรื่อยจนถึงเป็นคู่คนมีอวัยวะเข้ามาในในร่างกายของของชิ้นเนื้อนั้นสรุปแล้วก็คือถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับรถก่อนที่เราจะตกแต่งรถโรงงานซ่อมรถโรงงานประกอบรถอันแรกอันดับแรกเขาก็ตรงประกอบเครื่องยนต์ซะก่อนต่อ ไปก็ขคันสี่ต่อไปก็อะไรเบรกอะไรตอกมีอะไรให้มันครบส่วนพอเสร็จแล้วก็เขาก็ขับรถออกมาออกมาจากอู่มาก็มาใช้ในเมื่อออกมาใช้ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้แบบอิรูชูแชกเราก็ต้อง เ, เติมน้ำบังเติมน้ํามันบ้ังอันไหนที่มันขาดเติมน้ํากรดปังอันนี้ก็เหมือนกันพวกเรา ออกมาจากท้องแม่แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่สุกสนุกสบายก็เติมน้ามีอาหงมีอาหารมีหยุกมียามีอุปกรณ์ในการตกแต่งร่างกายนี่แหละคือร่างกายแต่พอถึงข่าวจุดจบของร่างกายพอมันแก่เท่าชลามันอยู่ไม่ได้แล้วมันก็ออกจากร่างวิญญาณตัว น, นั้นก็ต้องออกจา ก, จากร่างอีกเหมือนกันออกหนีออกไปเพราะว่ามันหมดสภาพ ร่างกายหมดสภาพมันอยู่ไม่ได้นี่แหละหลักของพุทธศาสนาท่านสอนว่าใจกับกายกายกับใจในลักษณะอย่างนี้แต่ใจนะไม่ไม่มีวันตายหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าร่างกายเนี่ยมีป่าช้าแต่ใจไม่มีป่าช้าเพราะนั้นจะชำระใจยังไงจึงจะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้อันนี้บริสุทธิ์ได้เพราะการชาระใจการชาระใจท่านกล เพราะพุทธเจ้าท่านก็นี่แหละเรื่องศีลสมาธิปัญญานี่แหละที่พวกเราเข้ามาศึกษาเนี่ยคือเป็นวิถีแนวทางสำหรับสำระใจของพวกเราท่านทั้งหลายการนั่งสมาธิดูจิตใจในขณะที่เราดูทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรวาจากัมมันโตอาชีโววาญโมสติสมาธิมันอยู่ในขณะที่เรา เรานั่งทั้งหมดเราประกอบการทั้งหมดดูกําหนดดูดูใจของเราในจิตขณะที่เรานั่งหายใจเข้าพดหายใจออกโทรมีสติสัมปชัญญะเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วหรือว่าไม่รวมแต่จิตใจไม่รวมสงบแต่พอเรานั่งสมาธิบางทีอาจจะมีแสงหรือ ว, ว่ามีเหมือนกับใจของเรา มันตกเหวตกบอ่อหรือว่ามันมีความรู้สึกเย็นว่าบในใจของเราควารู้สึกมันเย็นมันสบายผิดปกติพอกําหนดจิตใจอยู่กับที่แล้วใจของเรามันเย็นสบายวา่าบอันนี้ก็คือมันมันเป็นแนวทางแห่งจิตสงบเป็นเบื้องเบื้องแรกนะอันนี้ในหลักของพุทธศาสนาเั้งว่าในทําคําสอนของพ่อแม่ครูบายการหรือตักทำคํ า, า, าสอนของพระพุทธเจ้าเช่นว่า คณิกะสมาธิจิตใจกำาลังจะเริ่มเข้าสู่สมาธิจิตใจเย็นสบายแต่เราไม่ลืมนะจิตใจช่วงนั้นผิดปกติของของของใจเนียกว่าคณิกะสมาธิจิตใจรวมสงบคณิกะอุปจาระสมาธิจิตใจรวมสงบลงไปในระดับหนึ่งจิตใจอยู่กับตัวเองไม่ปุงไม่พุ่งไปทางอื่นจิตใจอยู่กับอยู่กับเรา จิตใจไม่หิวไม่หวยไม่กวนไม่กายใจิตใจอยู่กับตัวเองนิ่งสบายเหมือนสติขปิตสติควบคุมจิตไม่ให้ออกนอกลูก่นอกทางแต่ก็รู้สึกอยู่ว่าเราอยู่ในสถานะไหนเราเป็นยังไงเราคิดไดเรามีความคิดไดเราคิดเรื่องอะไรแต่มันก็ไม่ปุงออกไปข้างนอกสติควบคุมอยู่อันนี้เราอุปจารสมาธิ อุปจาระจะระแปลว่าไปแต่ว่าไปด้วยการควบคุมของสตินะอันนี้คือว่าอุปจาระแต่ลึกลงไปกว่านั้นอีกอัปปนาสมาธิจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งนิ่งจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นให้ค่าว่าสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่รับรู้ทางร่างกาย ร่างกายนั่งอยู่ น, นสถานที่ใดไม่รับรู้ทั้งนะอันนี้เลยว่าอัปปนาสมาธิแต่ทุกคนจะเป็นอัปปนาสมาธิทุกคนใช่ไหมไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่น่าจะมุ่งหวังถึงขนาดนั้นเอาเถอะเมื่อเราทำได้ขนาดไหนเอาขนาดนั้นแต่ว่าวิถีที่เป็นสมาธินั้นเป็นอย่างนั้นพรจิตใจรวมสงบถึงขนาดนั้นเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่า กายกับใจในอาศัยกันอยู่ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันเห็นได้ชัดเมื่อจิตเป็นอัปปนาสมาธิเลือกเชื่อมั่นในตนเองอีกต่างหากว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญคุณดคณีคุณงามความดีนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่มันรู้ไปหมดมันรู้ชัดในตัวเองเพราะว่าการปฏิบัติของเราเรารู้ได้ด้วยตนเองในขณะที่เราจิตจิตใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งนี่แหละอันนี้เรียกว่าอัปปนาสมาธิ แต่สมาธิมีอยู่สามขั้นเพียงแค่นี้จากนั้นก็ถอนขึ้นมาถอนขึ้นม า, มามาหาอุปจารสมาธิแล้วก็ขึ้นมาคณิกะสมาธิแล้วก็จิตธรรมดาหรือจิตใจเป็นธรรมดาเพราะนั้นขณะที่จิตใจของเราที่เป็นคณิกะก็ดีอุปจาระก็ดีอปนาก็ดีกนรล้วนแล้วจะเป็นเป็นมีผู้นูปการเกือ้อกูลหนุนกัน ถ้าวาคนเรามีสติอยู่กับตั ว, ตวเองจะคิดจะพูดจะทำอะไรก็จะได้สำนึกว่าข้าพูดคิดทำนั้นไปนในทางที่ถูกต้องไหมถูกทำนองคลองทำไหมถูกกฎธรรมเนียมประเพณีไหมอันนี้ก็ถ้าคนมีสติอยู่กับตนเองก็จะได้ยับยั้งในการพูดคิดทำของตนเองได้เพราะนั้นเรื่องสมาธิจาเป็นในที่ทุกสถานอีกเหมือนกันเพราะเพราะว่าเรา ถ้าว่าเราขาดสมาธิหรือว่าใจของเราไม่มีสมาธิจิตใจของของเราเรื่องลอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเอเราไม่ได้มีการฝึกเรื่องสมาธิใจของเราก็คิดเออเอิดและเหยีอย ล, ล, ยลอยลมไปเรื่อยปล่อยเรื่อยเหมือนกับเพาะเออพงลมปล่อยไปในอากาศอย่างนั้นอ่ะไม่มีจุดหมายปลายทางผลที่สุดเกิเหมือนกับว่าเชือกขาดแท่นั้ ก็ทำให้เสียศูนย์เสียคู่เสียคนเสียเราได้แต่ถ้าว่าเรามีสติสัมปะชัญญะให้มีเครื่องยึดเหนี่ยวอยู่มีอะไรก็เนี่ยมาดูที่ลมหายใจกำหนดลมหายใจเข้าออกยึดพุทโธเป็นหลักมีอะไรก็อย่าไปเกิดมาเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็จะมีมันจะได้พิจารณาปล่อยวางในใจิตในใจของเรา เมื่อเราได้ปล่อยวางในจิตในใจเราก็มีกรรมฐานมีเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ เ, เราจะเป็นผู้มั่นคงจะไปนักสถานที่ใดเมื่อเท่าแก่ชราขึ้นมาแล้วก็จิตใจสมัยว้าเวอ้างว้างเงียบเขาซึมเศร้าไม่อะลเพราะเรามีธรรมอยู่ในใจเพราะะ น, นสิ่งเหล่านี้เราควรจะฝึกไว้แต่เนิ่นๆไม่ใช่ว่า ชวนเยนเข้ามาแล้วจะมาฝึกเรื่องสมาธิมันไม่ทันกันเหมือนกับเขาฝึกทหารน่ยทหารจะเข้าสู่แนวรบเขาจะต้องฝึกไว้แต่เนิ่นๆแต่สมัยที่ยังไม่มีศึกสงครามเขาก็ฝึกไปแล้ววิธีการต่อสู้ยังไงวิธีการอะไรไม่อะไรเขาต้องฝึกไปแล้วเวลาหลบเวลาหลีกยังไงฮะไม่ใช่ว่าข่าศึกเข้ามาแล้วจงค่อยจับงัดเอาปืนออกจากคลังให้ทหารเอาไปสู้กับเขา ทหารพนนั้นจะเก่งได้ยังไงเพราะเหตุใดเพราะว่าไม่เคยฝึกหัดไว้ก่อนไม่เคยไม่เคยฝึกในการต่อสู้ไว้ก่อนเพราะนั้นเรื่องการต่อสู้เรื่องมรณะภัยคำนี้นะ่มรณะภัยจะต้องมาถึงพวกเราแน่นอนอีกสักวันหนึ่งเราจะต่อสู้อย่างไรเราจะเราพวกเราจะพิจารณาอย่างไรเราจะเอาตัวรอดได้อย่างไรในเมื่อจุดนั้นมาถึงเนี่ยเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องฝึกไว้แต่นน่นน๊น น, น, นะ แต่วันนี้ทราบข่าวว่าพวกคณะครูบาอาจารย์อยากจะเดินรอบวัดหรือเปล่าได้ยินพออเสนอหมุหมอบหมอบมุมบมมบมมบกี้นะี่